ก่ อ, อนโบธนาเข้าสู่การความธรรมปฏิบัติธรรมในภาคบ่ายเวลามันก็อย่างนี้แหละมันไม่รอไปอย่างรวดเร็วครึ่งวันแป๊บเดียวเห็นไหมแป๊บเดียวเองครึ่งวันแล้วมันจะเหลืออีกกี่ชั่วโมงที่ได้มีโอกาส การปฏิบัติเวลาเรามาเจอกันเนี่ยเรียกว่ามาฝึกซ้อมเรามาที่นี่เพื่อมาฝึกนะมาฝึกฝึกฝึกแล้วเอาตะกรของความตั้งมั่นที่มันมีมากมากมไปใช้ในชีวิตประจํำวันชีวิตจริงซึ่งต้องใช้ไม่ใช่เรามาที่นี่แล้วก็จบมาแล้วจบไม่ใช่ มาฝึกเพื่อไปใช้ที่โน่นมันเหมือนกับสนามรบในชีวิตจริงเหมือนสนามรบเพราะว่ามันจะรบอย่างเดียวไม่ได้มันต้องฝึกเรื่องการใช้อาวุธยุทธูปรกรณ์เรื่องการวางแผนเรื่องการอะไรต่างๆมันต้องฝึกฝึกเสร็จแล้วไปอยู่ในชีวิตในสนามรบมันจะได้ได้ใช้ถูกในชีวิตจริงเราอยู่กับ ค่าสึกเยอะมากเนาะเยอะมากโดยเฉพาะไอ้ที่เรารู้กันมาตั้งแต่เราจําความได้ที่เขาพูดกันน่ะความโลภความโกรธความหลงใช่ไหมพูดกันเช่คํานี้คำสามคํานี้พูดกันเช่เชยใช่ไหมพอพูดถึงเรื่องของความโลภความโกรธความหลงมันเป็นเรื่องเชยแต่แท้ที่จริงแล้วอาจจะ อาทยาคือความผิดทั้งหมดในโลกใบนี้ที่เกิดขึ้นมาจากความโลภความปวดความหลงทั้งนั้นแต่ความโลภความกวดความหลงนี้เราจะไปตั้งใจละตั้งใจเลิกตั้งใจที่จะไม่เราจะไปจะไม่ตาจัดก่อเราจะไม่โกรธเราจะไม่โลภจะไม่หลงมันเนี่ยไม่ได้เข้าใจปะอยู่ๆไม่โลภได้หรอ เฮ้ยเป็นอะไรวะอยู่ๆไม่โลภขึ้นมาเฉยเงได้ไหมไม่โลภมาเฉยไม่ได้เพราะว่าเขาเกิดมาจากเหตุปัจจัยมีเหตุมีปัใจจัยให้เกิดอะไรคือเหตุปัจจัยของความโลภหืเหตุปัจจัยของความโลภคืออะไร กนะ็ความโลภมันเป็นกิเลสและกิเลสจะเป็นเหตุปัจจัยของความโลภอย่าใช้กัมปั้นทุบดินเดเหตุปัจจัยของความโลภคืออะไรฮะเออเข้าท่าเลยนะเครอเอาวิชาคือความไม่รู้ไม่เป็นเหตุแต่ อาวิชาความไม่รู้มันเป็นเหตุของทุกเรื่องมันเป็นโคตรเหตุถ้าในที่นี้ของความโลภคืออะไรรู้ป่ะคือแรงปรารถนาในใจของเราปรารถนาใครใจของเราทุกคนเหมือนกันหมดเลยปรารถนาอะไรเออปรารถนาความสุขที่เป็นดั้งเดิมของเราแต่เผอิญว่าเรามีความไม่รู้อยู่ทำให้การ ปรารถนาความสุขของเรามันเป็นไปตามอานาจของความไม่รู้พอเป็นไปตามอานาจของความไม่รู้มันจึงไหลออกไปสู่สิ่งที่มันเข้าใจเอาเองว่าใช่มันไหลออกไปไหลออกไปตามสิ่งที่มันเข้าใจเอาเองว่าใช่ ความปรารถนาของคนเราเนี่ยส่วนลึกเหมือนกันหมดทุกคนคือปรารถนาสุขไม่ปรารถนาทุกคือปรารถนาสุขและปรารถนาที่จะไม่ทุกข์ความปรารถนาจะเหมือนกันปรารถนาสุขโกโดเข้าใจไหม <Okay. S 1> เออปรารถนาสุขปรารถนาที่จะไม่ทุกข์เหมือนกันเลยส่วนลึก ร้อนโอยร้อนมากเปิดแอร์หน่อยมาจากอะไรมาจากปรารถนาสุขปรารถนาที่จะไม่เอาความทุกข์ถูกไหมแล้วก็ดิ้นรนดิ้นรนเพื่อเปิดแอร์เปิดแอร์แล้วกดสวิตช์แล้วกดรีโมทแล้วแอร์ Air มันดันไม่เย็นก็กระวนกระวาย กวนกไวยเกิดจากอะไรปรารถนาสุขปรารถนาที่จะไม่เอาทุกข์เหมือนกันไหมไเออพอเปิดอร์เสร็จพอรัช่างมาถึงแอ ช, งช่างทําช้าเฮ้ยช่างที่ไหนวะไอแอร์มัน ล, ล้วก็ปรุงไปเรื่อยแอมันเก่าหรือเปล่ามันใช้ได้ไหมเอ๊ะช่างที่ไหนวะช้าจัง เปลี่ยนช่างหอะหุดหงิดทะเลาะกันมาจากอะไรมาจากอะไรปรารถนาสุขปรารถนาที่จะไม่ออาทุกข์เปลี่ยนช่างเอาช่างใหม่มาช่างใหม่มาถึงซ่อมป๊๊อปป๊อ๊เสร็จเปิดป๊อปแอร์เย็นจึ๊บขอเบอร์หน่อยขอเบอร์หน่อยที่หลังจะได้น้อดีใจมาจากอะไรปรารถนาสุข ปรารถนาที่จะไม่เอาอทุกข์เหมือนกันไหมด้วยความปรารถนานี้แหละเป็นเหตุปัจจัยของความโลภถ้าพื้นฐานทางใจไม่มีธรรมะเลยมีแต่ความปรารถนาอันมีปรารถนาที่เต็มไปด้วยความไม่รู้เราจึงเห็น ลีลาของกรรมในชีวิตหลากหลายมากกรรมมันจึงเหมือนกับเ อ, อจิตกรรมของชีวิต <c oughs> ถ้าเราถอยตัวเราออกมาแล้วก็ดูชีวิตยอย่างหลากหลายเนี่ยเราก็จะเห็นว่าสิ่งที่เป็นจิตกรรมของชีวิตก็คือกรรมของแต่ละชีวิตนั่นเองในความโลภเดียวกันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าโอ้ แชร์ลูกโซ่มันคือจิตกรรมของชีวิตไหมล่ะฮะมาจากอะไร<ล>คนที่ทาก็โลภคนที่เป็นเหยื่อก็ลและออกมาเป็นกรรมใช่ไหม<ล>นั่นคือจิตกรรมของชีวิตโลภไหม<ล>พอโลภเสร็จแล้วโกรธมาด้วยไหม<ล>ที่มันออกรายการต่างๆาอ่ะสาบแช่งกันอยู่นั่นอ่ะมันมันมันโกรธไหม กรแล้วที่มันมกปกปิดกันอยู่ไม่พยายามเสด็จข่าวไม่ทำความรู้ให้กับประชาชนไม่ทำให้คนฉลาดเพราะมันยังมีอีกหลายบริษัทที่มีหลายขวายเข้าไปพัวพันอยู่<ม>เพื่อที่จะอบอุ้มไว้ไอันนี้เป็นความหลง <c oughs> ยังอีกเยอะใช่ไหมเป็นยังเกะเป็นยังหลงไปมัางยัง อันนี้ก็มาจากอะไรปรารถนาสุขปรารถนาที่จะไม่เอาทุกข์เพราะมันมีอวิชชามีความโลภแรงปรารถนาเหล่านี้มันจึงหลากหลายของมันนะและถ้าถ้าไม่ใช่เราเรายืนมองเขาจากกลางตัวเราแล้วมองไปข้างข้างในในกรรเหล่านี้เราก็จะเห็น่าหูหมันแปลกนะบางทีเราก็บอกว่าหูช่างโง่แท้เอาเงินหนึ่งเหมือนผู้จัดการคนหนึ่งอะ โอนเงินแพใ้เขาล้านสองเพื่อสร้างเครดิตสําหรับที่จะกู้เงินละห้าแสนอันนี้เขเรียกว่า <laughs> โอนเงินให้เขาไปล้านสองเพื่อสร้างเครดิตสําหรับที่จะกู้เงินเขาห้าแสนเฮฮะ เดือดร้อนเงินห้าแสนต้องหาเงินล้านสองมาสร้างเครดิตเพื่อที่จะไปกู้เงินห้าแสนฮะเรามองเขาแล้วเป็นไงโง่ใช่ไหมโลภจนหน้ามือตาลมัวนี่เรามองเขาใช่ไหมถามว่าเราเองมีไหมแบบเนี้ยมาจากจุดเดียวกัน อย่างทําบุญทําบุญด้วยความโลภมีไหมมีค่ะมีใช่ไหมมีค่ะยอดตู้สิบบาทบขอเหมือนกันขอเหมือนกันขอเหมือนกันเลย บางคนก็ยิ่งกว่าบางคนขอ60บล้านแต่บางคนขอยิ่งกว่านั้นนะขอให้ลูกสอบเอ็นได้และเมื่อเอ็นได้เข้าไปแล้วขอให้เรียนจบจบแล้วขอให้ได้ทำงานดีดีมีเจ้านายดีแล้วก็เงินเดือนขึ้นทุกปี <c oughs> เป็นเจ้าคนนายคนไปไหนใครก็รักลูกมันคนเดียวเป็นแม่งทั้งประเทศเลยอ่ะ <c oughs> ทำบุญสิบบาทอ่ะมียิ่งกว่า60บล้านห ยิ่งกว่าหกสิบล้านหรอไอโบใช่ไหมไอนี้ยิ่งกว่าหกสิบล้านไหมลูกมันคนเดียวอะถ้ามุลสิบบาทอะขอโอ้โหเป็นคนเดียวในประเทศเลยแล้วไอคนนี้ก็ขออย่างนี้คนโน้นก็ขออย่างนี้คนนี้ก็ขออย่างนี้มันโลภไหมโลภใช่ไหมมาจากอะไรปรารถนาสุข ปรารถนาที่จะไม่เอาทุกข์กแล้วมันมีตอนนี้ไหม ม, มีตอนนี้ไหมเมื่อก่อนมีไหมมีตลอดเสมอม า, มามพเพราะว่าอยู่ในอำนาจของอาวิชาไม่เคยมีใครนำความรู้เรื่องวิชามาพูดถึงทางทั้งที่วิชามันมีอยู่ เมื่อพระพุทธเจ้าตรรู้จึงสอนเรื่องวิชาในธรรมจักรปวัตนสูตรเราเรียกกันตอนนั้นว่าพระพุทธเจ้าปฏิวัติปฏิวัติอะไรปฏิวัติแรงปรารถนาดั้งเดิมของมนุษย์เรียกว่าปุเปสุอนันตสุเตสุคือว่าเป็นสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเป็นการปฏิวัติความคิด ว่าสัจจะคือความเป็นจริงเป็นแบบนี้จึงมาสอนเรื่องนี้เบื้งตาดูเปิดใจดูเรียไม่ปิดกั้นการมองเห็นแต่เดิมมันถูกปิดกั้นหมดนะ่ะจากคุ้งอุดปาริจากายานังอุดปาริปัญญาอุดาปาริวิชาอุดปาริอ า, อาโลโกอุดปาริโอ้เก่งเนาะ <c oughs> จากคุ่งอุดับปฏิคือว่าเกิดดวงตายานังอุดับปฏิเกิดเกิดการรู้ปัญญาอุดับปีิเกิดปัญญาวิชาอุดับปีิเกิดความรู้อาโลโกอุดับปฏิเกิดความสว่างเจิดจ้าขึ้นอันนี้เกิดขึ้นตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้และนามาเปิดเผย และที่เราเรียนรู้แล้วก็กําลังจะปฏิบัติและปฏิบัติต่อเนื่องกันมาก็ตัวนี้จักขุกรณีแปลว่าอะไรจักขุกรณีญาณกรณีฮะจักขุกรณีญาณกรณีอะไรกั น, นยายาบิญญบาตธรรมบุตยานิบานายาทั้งวัตติหน่าจักขุกรณีคืออะไร เครื่องเห็นยานกรณีเครื่องรู้เดิมทีมันไม่มีเครื่องเห็นใช่ไหมมันไม่มีเครื่องรู้เพราะอาวิชามันปิดกัน้นพออบรมบ่มเพาะทำความตั้งมั่นให้เกิดขึ้นกับจิตทำจิตผู้รู้ให้บ่มเพาะออกมาเป็นตัวรู้ตัวรู้ที่ปรากฏนี้มันจะทำให้เกิดเครื่องเห็นเห็นอะไรมั่งอะทีนี้เห็นความเป็นจริงของสภาวะใช่ไหมเราไม่ค่อยยืนหยัดอยู่กับความเป็นจริง เห็นความเป็นจริงของสภาวะว่ามันเป็นอย่างไรเห็นความเป็นจริงของสภาวะว่ามันมีการเกิดและการดับการเห็นอะไรก็ตามที่มันเพียงแค่สิ่งที่เกิดและดับนั้นหมายความว่ามันจะทำให้เราสลัดสลัดคืนสิ่งนั้นออกไปคลายความยึดยึดโยงใหญ่ ที่เรายึดถืออยู่สม่สําเสมอนั้นถ้าเราเห็นว่ามันเป็นเพียงแค่สิ่งที่เกิดขึ้นและดับไปเนี่ยมันก็จะทําให้เราคลายตัวออกมาได้เมื่อสิ่งนั้นเกิดและดับไปตามธรรมชาติของมันเราก็ไม่ทุกข์ถูกไหมถ้าอะไรก็ตามที่เราเห็นว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจนจิตมันมันเห็นอย่างนั้นเห็นอย่างนั้นเรียกว่าเครื่องเห็นรู้อย่างนั้น เรียกว่าเครื่องรู้มีเครื่องเห็นและเครื่องรู้อย่างนี้ว่าสิ่งนี้มันเป็นเพียงแค่สิ่งที่เกิดขึ้นและดับไปมันก็จะคลายความยึดในสิ่งนั้นออกมาพอคลายความยึดในสิ่งนั้นออกมาความทุกข์ที่เกิดจากสิ่งนั้นมันแปรเปลี่ยนแปลงไปตามความเป็นจริงมันจะเกิดไหมมันจะเกิดน้อยตามกาลังตัวรู้ตัวเห็นและไอตัวที่รู้ตัวที่เห็นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้มันจะต้องอาศัยอะไร อาศัยความตั้งมั่นของจิตความตั้งมั่นของจิตต้องเป็นความตั้งมั่นชนิดที่เรียกว่าสุสมาหิตาคือตัวที่ตั้งมั่นดีนะไม่ใช่ตั้งมั่นไม่ดีนะถ้ามันตั้งมั่นดีขึ้นที่จิตตัวรู้หรือตัวรู้เห็นว่าอันนี้เกิดอันนี้ดับตัวรู้เห็นอย่างนั้นเป็นสัมมาธิฏิ นี่เรียกว่าตั้งมั่นดีตั้งมั่นดีนั้นจะทําให้เกิดการรู้เห็นที่เป็นสมาธิดิงันตัวตั้งมั่นนี่แหละจึงเป็นตัวสําคัญถ้าเราไม่ปฏิบัติไม่อบรมไม่ฝึกฝนให้มันถูกต้องจะไม่สามารถเกิดความตั้งมั่นดีได้มันอาจจะตั้งมัน่นแต่ตั้งมั่นไม่ดี มางคนนั่งเล่นกันพนันสาวันสามคืนเข้าไม่กินน้ำกินดื่มแต่น้ำเล่นอยู่นั่นแหละด้วยความตั้งมัน่นถ้ามันไม่ตั้งมัน่นมันนั่งไม่ได้นะใช่เปล่าหรือไปนั่งซองสัตว์อ่ะทําในป่าสมัยก่อนก็ต้องว่านั่งซองสัตว์อะมีแค่น้ําแค่กระบอกเดียวซองทั้งวันทั้งคืนเลยนิง่งรอรอหรือเคยเคยดูสารคดีที่เห็นไอ งโตที่มันจ้องดูเหยื่อที่มันขยับขยับยังไม่ตัดครุบนะมันต้องมีความตั้งมั่นไหมแต่มันไม่ใช่สุสามาหิตะเข้าใจไหมสุสมมาหิตะคือความตั้งมั่นดีหมายถึงความตั้งมั่นที่เกิดขึ้นจากการที่จิตเข้าไปรู้เห็นความเป็นจริงของสภาวะอย่างต่อเนื่อง จึงตกตะกอนมาเป็นสุสมาหีตะได้ไอช่องนี้ก็พูดเหมือนเมื่อเช้าอีกว่ามันเป็นรูเล็กๆอยู่ในหลายๆหลายล้านช่องเป็นทางเดียวเรียกว่าเอกายนามะเพราะฉะนั้นพวกเราต้องตรงต่อใครต่อพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละ เดินออกจากพระพุทธเจ้าเมื่ อ, อไรนะติดครูบาอาจารย์อย่างนี้ก็ไม่ได้ติดไม่ได้เลยตรงต่อพระพุทธเจ้าเท่านั้นและการตรงต่อพระพุทธเจ้าจะต้องควบคู่กับการปฏิบัติไว้เสมอจากพระพุทธเจ้าจ๋าอย่างเดียวก็ไม่ได้นะถ้าพระพุทธเจ้าจ๋าอย่างเดียว <laughs> <laughs> ทำไม <laughs> ยมชอบใจ ถ้าพระพุทธเจ้าจ่ายอย่างเดียวคือศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าจนมันเยอะแต่การปฏิบัติของตัวเองไม่ได้พอเพียงต่อต่อศรัทธาทําให้ปัญญาพละกำลังของปัญญานั้นด้อยถ้าศรัทธาแปดสิบเปอร์เซนปัญญาแค่ยี่สิบเปอร์เซนตเหลืออยู่นั้นเอ่อหกสิบเปอร์เซ็นั้นคืออะไรฮะ นี่แหละมันถึงไปกินฉี่กินขี้ใครกินของใครของใครกันได้น่ะเข้าใจไหมมันคือความหลงนี่เหยื่อของอวิชชาเลยแหละเพราะว่าศรัทธาไงศรัทธามันเยอะแต่ปัญญามันน้อยพอศรัทธามันเยอะปัญญาความมันน้อยเนี่ยศีลนี่ไม่มีวันบริสุทธิ์สมาทานทุกวันเช้ากลางวันเย็นเช้ากลางวันเย็นแต่ถือไม่ได้หรอก เพราะว่าศรัทธามันเยอะแต่ตัวศีลไอตัวปัญญามันน้อ ย, อยเรียกว่าอินทรีย์ไม <laughs> ่บาลานซ์อินทรีย์ไม่บาลานซ์จึงเห็นพฤติกรรมแปลกๆอ่ะบางคนบวชร่ำเรียนเข้าป่าเข้าเข า, ขาเขา ด, ดินดุโดงนั่งกรรมฐ า, านพอสุดท้ายจึกศัทธามันเยอะมันทำให้ทำอะไรก็ได้ แต่ปัญญามันน้อยมันเข้าไม่ถึงความเป็นจริงเข้าใจป่าเข้าไม่ถึงความเป็นจริงเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะให้ความตั้งมั่นมันเกิดความตั้งมั่นดีจะต้องให้จิตผู้รู้รู้ตรงต่อสิ่งที่ถูกรู้อันปราศจากการปรุงแต่งสิ่งที่ถูกรู้นั้นก็เกิดตามความเป็นจริงและพระพุทธเจ้าพิสูจน์วิเคราะห์วิจัยออกมาอย่างชัดเจนได้ว่าต้องเป็นกายใจนี้เท่านั้น ต้องเป็นกายใจนี้เท่านั้นจะไปรู้ตรงอื่นเฝ้าต่อรู้เฝ้ารู้กาน้าร้อนอย่างเงี้ยเฝ้ารู้มันนิ่งนิ่งนนิ่ ง, ง, งได้ความตั้งมั่นจริงแต่ไม่มีส่สมาอิตมันเป็นฐานของความเห็นชอบไม่ได้มันเป็นที่ตั้งของวิชาไม่ได้เข้าใจไหมเออ <c oughs> ทีนี้พระพุทธเจ้าให้รู้ กายหรือใจนี้เราเรียกว่าสี่ฐานฐานกายคือกายกับใจนี่คือชีวิตเราเนี่ยพระพุทธเจ้าแบ่งเป็นสีฐานในตามความเป็นจริงของเขาคือฐานกายฐานของเวทนาฐานของจิตฐานของธรรม กายก็คือกายานุปัสสนาวทนาก็คือเวทนานุปัสสนาจิตก็คือจิตานุปัสสนาธรรมก็คือธรรมานุปัสสนาโดยพระพุทธเจ้าจััพ่านทางลมหายใจจัดสี่ฐานผ่านทางลมหายใจโดยตรัสชัดว่าอาณาปานสติอันผู้ใดอบรมแล้วทำให้มากแล้ว ย่อมบำเพ็ญสติปัฏฐานสีให้บริบูรณ์สติปัฏฐานสี่คือกายเวทนาจิตธรรมสติปัฏฐานสีอันบุก ค, คลใดอบรมแล้วทําให้มากแล้วท่อมบำเพ็ญโพชฌงค์ให้บริบูรณ์โพชฌงค์ทั้งเจ็อันบุกคลอบรมบุคคนใดอบรมแล้วทำให้มากแล้วย่อมทําให้ถึงซึ่งวิชาและวิมุตติอันพระพุทธเจ้า ให้เราจัดการข้าวสู่ความตั้งมั่นดีผ่านลมหายใจเพื่อก้าวสู่ฐานทั้งสี่โดยลมแบ่งเป็นสี่บกคู่สี่บกคู่ลมสี่บกรูปแบบของลมสี่ขั้นสี่คู่ลมแรกเรียกว่าฐานกายเป็นกายานุปัสสนาเลยถ้าสัมปชัญญะ ในฐานที่หนึ่งในลมคู่ที่หนึ่งะถามสัมปชัญญะลมขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นสามขั้นสี่บริบูรณ์อันนี้สติจะตั้งขึ้นเป็นสติสมโพธชงฟังให้ดีนะถ้าสัมปชัญญะในขั้นหนึ่งขั้นสองขั้น3ามขั้น4ี่บริบูรณ์ขั้นหนึ่งก็ชำนานแล้วตัวรู้ที่เราพูดกันอยู่เนี่ย ตัวรู้เป็นอาการของสัมปชัญญะถ้าตัวรู้ถ้าเราสามารถรู้ลมหายใจเข้าออกยาวได้อย่างํำนานสัมปชัญญะขั้นหนึ่งได้บริบูรณ์รู้ลมเข้าออกอลมออกเข้าสั้นได้อย่างํำนานสัมปชัญญะขั้นสองสมบูรณ์รู้ลมเข้าออก กำหนดลมทั้งปวงข้าวออกได้อย่างชำนาญเรียกว่ารุมคู่ที่สามได้สัมปชัญญะก็บริบูรณ์สังเกตรู้ลมหายใจที่ระฮับตัวลงไปอาการที่ลมหายใจมันระรับแล้วมีความรู้ลมหายใจที่ระับนั้นได้อย่างชำนาญสัมปชัญญะในขั้นที่สี่ก็บริบูรณ์ สามพัญยะทั้งสีฐานที่บริบูรณ์นี้เรียกว่าสติสัมโพชฌงก็สมบูรณ์เมื่อใดเมื่อนั้นก็เป็ น, ปนสติสัมโพชฌงค์แล้วเวลาเป็นสติสัมโพชฌงศีลวิสุทธิก็เกิดขึ้นความบมดจดแต่งศีลเกิดขึ้นทันทีความหมดจดแต่งศีลเกิดขึ้นได้ด้วยอะไรด้วยศรัทธากับปัญญามันบาลานซ์กันตรงนี้พอ ม, มีสติสัมโพชฌงเกิด ศรัทธากับพระไอศรัทธากับปัญญามันจะพอกันความรู้กับความเชื่อมันสมดุลกันไม่ใช่ความเชื่อไปสามช่วงตึกแต่ปัญญาไปแค่ป้อมยามเงี้ยศรัทธากับปัญญามันมันสมบูรณ์มันสมดุลกันคือมีความรู้ตามความเชื่อมีความเชื่อตามความรู้ความรู้กับความเชื่ออยู่ด้วยกัน ไม่ก็เกี่ยวกันตรงนี้ก็จะทําให้เกิดอะไรไอ้ศีลวิสุทธิ์ศีลที่รักษาจะเป็นเนื้อเป็นตัวมากขึ้นความสํารวมความระวังอะไรต่างๆมันจะเป็นเนื้อเป็นตัวมากขึ้นที่สําคัญมันจะทําให้เกิดธรรมวิจยะสมโพธิชนธรรมวิจยะคือการวิเคราะห์วิจัยสืบคน้นเมื่อศรัทธากับปัญญามีความสมดุล ศรัทธากับปัญญามีความสมดุลธรรมะวิจยะจะเกิดขึ้นทันทีแต่ถ้าศรัทธาเยอะปัญญาน้อยมันไม่ใช่ธรรมะวิจยะที่เกิดขึ้นมันคือวิจิกิจฉาจะเกิดขึ้นเยอะมากวิจิกิจฉาจะเกิดขึ้นเยอะมากเลยความหลงสงสัยความลังเลความอะไรต่างๆเยอะมากแต่ถ้าศรัทธากับปัญญาเหมือนกันเท่ากัน ไม่มีปัญญาเกินศรัทธาไม่มีศรัทธาเกินปัญญามันจะเกิดธรรมวิทยะคือการสืบค้นสิ่งที่ถูกรู้นั่นแหละสภาวะนั่นแหละมันจะทำวิเคราะห์วิจัยวิเคราะห์วิจัยวิเคราะห์วิจัยผลของการวิเคราะห์และวิจัยนั้นก็จะเป็นองค์ทำที่จะเสริมตัวรู้ให้มีกำลังเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตัวปัญญาก็มีกำลังมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นซึ่งเรื่องเหล่านี้ ไม่มีที่อื่นนอกจากพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละที่สอนหาไม่ได้หาที่ไหนก็ไม่ได้ไม่มีทั้งหมดเห็นไหมว่าพระพุทธเจ้าใช้ให้เราฝึกฝนความรู้นี้ผ่านทางผ่านทางลมหายใจนั่นอย่าอวดเก่งถ้าอวดเก่งเกินกว่าลมหายใจแสดงว่าเราอวดเก่งเกินใคร <laughs> ตัวลงมีมึงดีกว่าดีมีมพระเจ้ามึงเป็นศาสดาเถอะอย่าอวดเก่งเกินพระพุทธเจ้าแล้วเวลาพระพุทธเจ้าสอนให้รู้ลมหายใจมันง่ายง่ายซื่อซืตรงตรงของพระพุทธเจ้านะระดับพระพุทธเจ้าเวลาสอนอะไรไม่หมกเม็ดไม่มีนัยยะไม่ทำสาริกาป้อนเหยือ่อระดับพระพุทธเจ้า สอนแล้วก็เปิดเผยตรงๆไม่งั้นพอสอนปั๊บมันจะได้สมเหตุเป็นพระอริยะกันได้ยังไงเราเคยอันนี้มาเป็นเศรษฐีถ้าทางมีเงินหมกหมกไว้ก่อนให้มันติดก่อนแล้วค่อยสอนไม่ใช่พระเจ้าไม่มีอย่างนั้นตรง ๆ, ๆเรียกว่าเราฟังกันมาว่าหายเหมือนกับหายของที่ฟวําอยู่ส่องทางให้กับคนที่หลงทางส่องแสงสว่างก็เป็นในที่มืดเปิดอย่างนี้เคยของพระเจ้าเนี่ยไม่มี เพราะฉะนั้นของพระเจ้ามจึงง่ายที่สุดซื่อตร ง, ตรงทีคงว่าอัศสัตว์โตทีคำอาตมามีตีประชานาติเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวอืมแล้วเวลาเราสงสัยเรสงสัยอะไรเวลาเราปฏิบัติราปฏิบัติอะไรไนั่ดังปั๊บ คู่แรกหายใจออกยาวพอไปคู่สองเป็นไงแผ่วลงคู่สามเป็นไงแผ่วลงอีกคู่สี่เป็นไงหลุดพอหลุดแล้วเป็นไงแช่แช่อยู่กับหลุดนั่นแหละพระอาจารย์นี่ก็นั่งพูดปากชีกปากเปียกปากฉีกนำไเบอ้วตัวเองก็ทําเนียนนั่งลอยไอ้มันหลุด ทำเนียนนะนั่งทำเนียนตัวตรงทำเนียนแต่ว่าจริงๆนะจิตปล่อยให้หลุดหลุดแล้วออกไปนั่งหมกมุ่นชุ่มแช่อยู่ในอารมณ์ที่มันหลุดอยู่นั้นแหละปรุงแต่งอยู่นั่นแหละพระก็นั่งพูดไปเถอะ <c oughs> <laughs> พอพอมันหลุดไปปรุงแต่งมันก็ตื่นใช่ไหมนั่งนิ่งพอกลับมาจากการปรุงแต่งมีเหตุปัจจัยอื่นเกิดขึ้นจิตก็เปลี่ยนอารมณ์หลุดก็ไปอีก ก็จึงจะได้กลับมารู้ตัวครั้งหนึ่งมาฟังพระพูดทริงถ้าเผลอฟังพระพูดแล้วเผลอไปอยู่กับลมหายใจแป๊บเดียวหลับคือตัวนิวรที่เป็นตัวนิวรณ์เนี่ยคอยทำหน้าที่กั้นไม่ให้กุศลมันเกิดในจิตตัวนิวรณเนี่ยมันจะทำหน้าที่กั้นไม่ให้กุศลเกิดในจิต อะไรที่จะเกิดขึ้นต้องเป็นอกุศลเสมอนี่คือหน้าที่ของนิวรทํทำงานแข็งขันมากทำงานแข็งขันมากกาลังเขาโอ้โหฝึกฝนมาอย่างดียิ่งกว่านาวิกะแข็งขันมากเลยเขาทำหน้าที่กั้นไม่ให้ความดีใดๆเกิดขึ้นในจิตเลยในขณะนั้นต้องเปิดทางให้อกุศลทั้งมวล อกุศลเล็กอกุศลใหญ่อากุศล ห, หยาบอากุศลละเอียดพรั่งพรูเข้ามาตามกําลังการทางานของนิวรณ์เพราะเขาทาหน้าที่กั้นไม่ให้กุศลใดๆเกิดขึ้นที่จิตได้ไปปรุงแต่งชุ่มแช่อยู่กับอารมณ์หนึ่งแล้วจนสุดของมันหวนกลับมาเจอสิ่งที่กระทบใหม่พอกระทบใหม่กลับมาแทนยังไม่ทันได้ปรุง ได้วางเสียงพระเทศหรือพระนำปฏิบัติอยู่ก็ここกลับมารู้สึกตัวอีกครั้งหนึ่งทำท่าจะรู้ลมหายใจนิดเดียวถีนมิทะมาหลับถ้าถีนมิถะไม่มาอุทจักกุกุจามาฟุงอย่างอื่นต่อฟุ้งต่อพออันฟุงไปว่าแป๊บเดียวเา้าวิจิกิชามาจำเลืองดูกี่นาทีแล้วว่า กลยังเนี่ยมันสับสนบันใบหมดอย่างนี้แหละเราเลยพระพุทธเจ้านี่ท่านสอนแบบซื้อตรงลัดสัน้นง่ายได้ผลทันทีแตเเ่เราไม่เราไม่ซื่อไม่ตรงเราไม่ซื่อไม่ตรงพยายามหลบเลี่ยงพยายามอ้อม แล้วก็มีนัยยะธรรมเนียนไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นพระเจ้าเลยใช้ลมหายใจผ่านทางฐานกายง่ายๆซื่อๆตรงๆโดยเริ่มต้นพระพุทธเจ้าบอกว่าอะไรปริมุกขังสติงูปัตตตเปตวาไอ้ตัวนี้คือตัวทาจิตผู้รู้อย่างพวกเราเนี่ยชำนาญหรือยัง ทำจิตผู้รู้คืออาศัยสติจิตผู้รู้คือสติกับสัมพชัญญาสติทำยังไงสติคือตัวระลึกตรงกัไปสิ่งซึ่งถูกระลึกตัวระลึกตรงกับไปสู่สิ่งที่ถูกระลึกคืออะไรตัวระลึกตรงกับไปสู่สิ่งที่ถูกระลึกสิ่งที่ถูกระลึกจะต้องเป็นกายเท่านั้นนะจะต้องเป็นกายเท่านั้นนะ ถ้าถ้าอันนี้นั่งอยู่อางนี้ถ้าระลึกเข้าไปที่นี่ได้ไหมไม่ได้จะเป็นจิตผุรุ้ต้องเป็นกายเท่านั้นนะพระเจ้าเลยใช้สาว่าะปริบุคังสติอุปัฏฐเปตวะดำรงสติอยู่เฉพาะหนะ้าพูดว่าดำรงสติอยู่เฉพาะหนะ้านี่หมายความว่ารวมถึงสัมปชัญญะด้วยไหมสติมีอาการระลึกใช่ไหม มันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้แหละแต่ตอนนี้เราจะต้องระลึกเข้าไปสู่เฉพาะหน้าระลึกเข้าไปเมื <prend> ่อระลึกเข้าไปมันจะมีส hmm. <ind> ิ่งที่ถ <Hugo> ูกระลึกถูกปะสิ่งที่ถูกระลึกจบยังหน้าที่สติพอระลึกเข้าไปสู่สิ่งที่ถูกระลึกมันจบยังหน้าที่ต่อไปคือตัวรู้ในสิ่งที่ถูกระลึกรู้คลออยู่ตรงที่สิ่งซึ่งถูกระลึก บางครั้งเราพูดว่าสติบางครั้งเราพูดว่ารู้คําว่ารู้รวมสติและสัมปชัญญะคําว่าสติก็รวมสัมปชัญญะในที่นี้นั่นคือจิตผู้รู้ถ้าเราลึกเราระลึกมาที่หน้าผากยกจิตขึ้นมาระลึกปับ๊บอยู่ที่หน้าผากไอ้ตัวที่พอระลึกไปที่หน้าผากแล้วมันรู้สึกที่หน้าผากนั้นนะ่ะตัวที่รู้คล อ, อยู่ขณะนั้นคือตัวสัมปชัญญะถ้ามันไม่รู้สึกได้นะ มันระลึกไปไม่ได้มันร้ระลึกไปได้แล้วแต่มันรู้สึกไม่ได้เอามือรูปเอามือแตะปั๊บตรงเนี้ยให้มันระลึกตรงนี้ปับ๊บรู้สึกได้ยังรู้สึกได้เอามือออกประคองตัวรู้ไว้ประคองตัวรู้ไว้ตัวรู้ที่กำลังรู้อยู่ที่ตรงหน้าผากเนี่ยมีสติสัมปชัญญะอยู่ด้วยตรงนี้เรียกว่าจิตผู้รู้อันประกอบไปด้วยสติและสัมปชัญญะ อันนี้มันเป็นรายละเอียดนะแต่พระเจ้าบอกปริมุขขังสติงุปัตเป ต, ตวะอุชุงกายยังปานิทยะแปลว่าพระพุทธเจ้าสอนตั้งกายตรงยากไหมเนี่ยการเตรียมการการเตรียมตัวเนี่ยดูสิว่าเราดื้อยังพลังกลงอพุทจิตวานิสีรดินั่งคูบัลังคือทําให้มันเกิดเป็นบาลังขึ้นมา กายที่ตั้งอยู่นี้ตั้งอยู่บนบัลลังก์พอตั้งบนบัลลังก์เสร็จอุชุงกายยังพอหนีทะยะแต่ก็ตั้งกายให้ตรงกายที่ตั้งอยู่บัลลังก์นั้นต้องตั้งให้ตรงตรงคืออะไรตรงคือกระดูกสันหลังกับกระดูกคอต่อเนี่ยตั้งตั้งฉากกับพื้นแล้วเราเป็นไงนั่งเดี๋ยวแอนไปข้างหน้าเดี๋ยวแอนไปซ้ายเอียงไปขวา นี่มันดื้อกับผู้เจ้าเปล่เออพูดได้สวยๆคือว่าไม่ได้ตามพระผเจ้าเสียทีเดียวคือเราเราเป็นอย่างนี้เพราะเราตามใจตัวเองไงเข้าใจไหมแต่พระพู้เจ้า น, าน่ะสนตรงแต่เราตามใจเราเองเดี๋ยวก็แอนไปข้างหน้าแอนมาข้างหลังเดี๋ยวก็เอียงซ้าย เดี๋ยวก็เอียงขวานะ <c oughs> เป็นเองใช่ไหม <c oughs> เพราะฉะนั้นถอยกลับมาเชื่อพระเจ้าอุชุงกายังปณนิทยะจึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องระลึกถึงบ่อยๆพออุชุงกายังปานิทยะก็บรยืดขึ้นมาปริมุขขังสติงูปัทะเปตตวะและจึงโน้มจิตผู้รู้ขึ้น โซสตวะอัตสติสโตปัตสตินี่ง่ายสุดมีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้าเห็นไหมพระพุทธเจ้านี่ปริมุขั้งสติงอุปัฏฐเปตวะดารงสติอยู่เฉพาะหน้าก่อนเตรียมสติคือจิตผู้รู้นั่นแหละเตรียมอยู่เฉพาะหน้าแล้วทีข้างว่าแล้วก็โซ่สโตวะอัตสติสโตปัตสติและมีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้าก็คือ โนมจิตผู้รู้ที่เป็นสตินั้นน่ะเข้ามาเพื่อรู้ลมหายใจออกลมหายใจเข้าเรียกว่ามีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้าการมีสติหายใจออกการมีสติหายใจเข้าพระพุทธเจ้าก็ชีแ้แจงให้เห็นเป็นลําดับลําดับลําดับสิบกขั้นซึ่งสิบกขั้นนี้ในขั้นสี่แรกเนี่ยหมวดแรกเนี่ยมันเป็นลมหายใจตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นของชีวิต ทีนี้ลมหายใจของคนเราอย่างที่เคยพูดใน้ฟังมีอยู่สองแบบแบบที่หนึ่งเป็นลมหายใจตามธรรมชาติเหมือนนั่งฟังอยู่นี่หายใจไหมโบหายใจอยู่บเบาแต่มันหายใจตามอัตโนมัติตามความต้องการของร่างกายใช่ไหมถูกควบคุมโดยสมองแล้วลมหายใจอีกอย่างหนึ่งคือลมหายใจที่ถูกควบคุมโดยจิตใจลมหายใจแบบไหนที่ถูกควบคุมโดยจิตใจ ฮะลมหายใจที่ถูกควบคุมโดยจิตใจเริ่มต้นที่เราไปรู้ลมนั่นแหละไอ้นั่งอยู่ดีๆร่างกายมันหายใจของมันอยู่ดีๆพอเอา้ารู้ลมกันโยมนั่งปับ๊บหยุดก่อนใช่ไหมลมหายใจแรกที่เข้าดูครับนี่คือลมหายใจที่ถูกควบคุมโดยจิตใจโดยความรู้สึกของเรา แล้วเราก็ต้องรู้ลมหายใจนี้แหละที่เราควบคุมโดยหายโดยจิตใจเนี่ยรู้ลมหายใจที่ถูกควบคุมโดยจิตใจนี่แหละรู้ไปเรื่อยๆๆย ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆจนตัวรู้ปล่อยวางลมหายใจที่ถูกควบคุมโดยจิตใจมาเป็นรู้ลมหายใจชนิดที่เป็นลมธรรมชาตินั่นเรียกว่าเข้าสู่การภาวนาคือปล่อยลมหายใจที่ถูกควบคุมโดยจิตใจ ให้เป็นลมหายใจที่เป็นธรรมชาติตัวรู้ยังคงอยู่รู้ตัวรู้เขาจะรู้ลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกอย่างธรรมชาติเรียกว่ารู้ลมที่ร่างกายเขาหายใจของเขาเองแต่อยู่ๆจะไปรู้ลมนั้นได้ไห ม, ไมไเฮ้ยอย่าไปกาหนดสิกาหนดไม่ได้ต้องกาหนดไหมหพระพุทธเจ้าใช้สับสองคู่แรกว่าปชานาติ ปรานาชาณติก็คือการรู้ทั่วรู้ชัดคือกำหนดรู้นั่นแหละแต่หลังจากนั้นพระพุทธเจ้าใช้คำว่าสิกขติสิกขติสิกขติคือสังเกตหรือศึกษานั่นหมายความว่าให้ดูลมที่ไหลเข้าไหลออกชนิดที่เป็นธรรมชาติของร่างกายไม่ใช่กำหนดรู้แล้วนั้นข้อที่ยากที่สุดคือข้อที่หนึ่ง เข้าใจไหมข้อที่หนึ่งยากที่สุดคือกระดุมเม็ดแรกถ้าติดกระดุมเม็ดนี้ถูกเม็ดต่อต่ อ, ตอไปเป็นไงสบายติดได้ไม่ยากติดได้ไม่ยากมีคำถามไหมไม่มีไม่มีก็พูดต่ออีกนิดหนึ่ง ปรเดี๋ยวมันจะง่วงง่ว ง, งไหมเนี่ยจริงเรื่องนี้เรื่องยากนะเนี่ยหตอนพูดไม่ง่วงเ้มีอย่างนี้อีกแล้วนั่งอ่ะอย่าปล่อยสติเขาเรียกว่าสติวกศขะ ลักษณะมีลักษณะการปล่อยสติมีการปล่อยสติเป็นลักษณะจำคำนี้ไว้สติโวกศคขขลักษณะมีการปล่อยสติเป็นลักษณะที่นั่งเงี้ยนั่งนั่งฟังเนี้ยปล่อยเรียกว่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวไงนั่งเงี้ยนั่งเงี้ย เรียกว่าปล่อยอปล่อยตัวสติโอกสัก ข, ขะลักขณะมีการปล่อยสติเป็นลักษณะถ้าอย่างนี้เรียบร้อยเลยก็เรียกว่าแพ้ตั้งแต่แพ้ตั้งแต่ยังไม่ได้ใส่ชุดการให้มันไม่ตื่นตัวให้มันตื่นตื่นตัวขึ้นมาอย่างลักษณะของสีก็คือ เป็นลังกางปุชิ ต, ตัวกับปลายเออขุ่นก็ยังบันิายะแล้วมือเนี่ยตั้งเ ก, ก็บไปเรียบร้อยเนี่อย่างนี้เก็บทิ้งเลยทิ้งแบบงโง่โงเป็นไหมอย่าอวดฉลาดถ้าตั้งเนี้ยทิ้งไปเลยซ้อนก็ไปทิ้งไปเลยวางแบบงโง่โงเนี่ยก็เรียกว่า วางทิ้งวางปล่อยถ้าวางแบบฉลาดฉลาดก็อย่างนี้ไอฉลาดแบบเฉีโกนะฉลาดแบบโมโอะเดี๋ยวก็อย่างนี้เดี๋ยวถ้ามืออยู่ยอย่างนี้เดี๋ยวอยู่อย่างนี้เดี๋ยวอยู่อย่างนี้เดี๋ยวอยู่อย่างนี้รู้ลมไปสิบปีถ้ามือยังนั่งอยู่อย่างนี้นั่งอยู่อย่างนี้แสดงว่าอะไรกายไม่รับตายไม่วิเวก จะไม่สามารถทำให้จิตเกิดความตั้งมั่นชนิดที่เป็นสุสมาหิตะได้ให้จำไว้ว่าจิตที่จะตั้งมั่นเป็นสุสมาหิตะได้นั้นจะต้องเกิดจากกายวิเวกก่อนจิตจะต้องเกิดจากกายวิเวกนั้นหมายความว่าลมต้องกายนี้จะระหับได้ลมจึงจะระับเมื่อลมระหับ ตัววิเวกจะทิ้งกายมีกายเหมือนไม่มีนั่นจึงจะเป็นสุสมาหิตะขั้นหนึ่งสองสามสี่จึงจะเข้าถึงได้และเมื่อกาย ส, สหบระโอบรับได้แล้ววิเวกแล้วจิตรู้ลมสมบูรณ์ทั้งสี่อย่างแล้วมันจบในเรื่องของกายแล้วมันจบในเรื่องของกายแล้ว มันไม่ไปปรุงแต่งที่กายแล้วมันระบไปแล้วสติตัวรู้ก็จะละเอียดแล้วมันก็จะไปจับอะไรจับความรู้สึกเราเรียกว่าเวทนาเป็นธรรมชาติเลยเมื่อเดินจิตมาตามสีฐานทั้งสี่แล้วมันจะเข้าสู่เวทนาและตัวเวทนาคือความรู้สึกนี้ก็เกิดขึ้นเยอะแต่ตัวที่เด่นที่สุดคือปิติ ปิติจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้ากายมันยังนั่งอยู่อย่างเงี้ยไม่มีทางไอ้ปิติแบบนั้นน่นปิติดูซีรีส์เกาหลี <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ <c oughs> ที่บอกว่าปิติจังเลยแฮปแฮแฮปแฮเกาหลีแฮปแซีรีส์นี่ปิติที่จะเกิดขึ้นจิตผู้รู้ที่เขาจะละเอียดเมื่อกายวิเวกวางกายสศรฐไปหมดแล้วเนี่ยตัวละเอียดของจิต ตัวคือตละเอียดของสติเขาจะจับตัวความรู้สึกเพราะกายมันระับแล้วพอไปจับความรู้สึกหายใจออกจับความรู้สึกหายใจเข้าจับความรู้สึกหายใจออกจับความรู้สึกหายใจเข้าเขาจับของเขาเองเพราะว่าสภาวะคือความรู้สึกคือเวทนานี่เขาปรากฏโดดดลอยเด่นขึ้นมามันจะมีหลายตัวมากแต่ตัวที่เด่นที่สุดคือตัวปิติ เป็นลักษณะของความอิ่มใจแล้วก็แผ่ซ่านออกไปในขณะที่กายมันระครับพอจิตก็ไปสังเกตตัวปิติหายใจออกสังเกตตัวปิติหายใจเข้าปิติในที่นี้ก็คือความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นจากการที่กายมันระครับถ้าปิติตัวนี้ช่ำชองชํำนานสังเกต ปิติจนช่ำจองชํำนานก็เป็นปิติสามพชมงทันทีและปิติก็เป็นสภาวะอันหนึ่งที่เขาเกิดขึ้นแล้วก็สหบตัวลงไปพอปิติสหบตัวลงไปขณะที่กายยังระหับอยู่ปิติระหับลงไปจิดผู้รู้ยังอยู่ก็จะเกิดเป็นสุข เป็นสุขนึกสุขในสุขที่ไม่อาศัยกายข้อที่เราเรียกปอดสุขจิตจิตสังเกตตัวสุขหายใจออกสังเกตตัวสุขหายใจเข้าลมหายใจมันเหมือนกับราวบันไดอะที่เราต้องจับเกาะไว้เต็มไม่ได้ยึด จับเกาะไว้เพื่อประคองกายให้ยังอยู่สําหรับก้าวบันไดขึ้นไปแต่ละขั้นแต่ละขั้นแต่ละขั้นแต่ละขั้นแต่ละขั้นหลุดออกจากเราบันไดไม่ได้เข้าใจไหมหลุดออกจากเราบันไดไม่ได้ก็ต้องเกาะไปเรื่อยๆสังเกตความสุขหายใจออกสังเกตตัวสุขหายใจเข้าสังเกตตัวสุขหายใจออกสังเกตตัวสุขหายใจเข้าสุขก็จะระหับดับลงไป พอสุกแล้วครับดับลงไปตัวความรู้สึกยังมีอีกไหมตัวความรู้สึกยังมีอีกไหมที่เขาจะโดดเด่นขึ้นมาขณะที่ยังมีตัวรู้อยู่ ส, สติสัมปชัญญะยังคงอยู่กายยังระคาบอยู่ยังวิเวกอยู่ปิติดับไปแล้วสุขดับไปแล้วมันยังมีความรู้สึกอะไรอีกล่ะที่ละเอียดลงไปมากกว่านั้น มันก็จะเห็นตัวที่เป็นอะไรฮะมันเห็นตัวที่เป็นตัวปรุงแต่งจิตเราเรียกกันว่าจิตสังขารใช่ไหมที่มันละเอียดลงไปอีกก็คือตัวปิติตัวสุขที่มันเกิดได้ดับเนี่ย ตัวรู้มันจะเห็นการเกิดและการดับของตัวจิตตสังขารจนกระทั่งเห็นมันระหับไปนี่เป็นความรู้สึกทั้งหมดพอมันเห็นความระหับไปตัวตัวจิตมันก็จะโดดเด่นขึ้นมาสิ่งที่โดดเด่นมาหลังจากนั้นคือตัวอะไรคือตัวจิตตัวจิตแล้วทีนี้เวลาเรา เราบอกว่าเราดูจิตดูจิตดูจิตเราดูอะไรส่วนมากจะเป็นอะไรเป็นตัวจิตตสังขารเป็นตัวจิตตะสังขารเป็นตัวเจตสิกเป็นตัวความคิดเราไม่เคยเห็นจิตในลักษณะที่จิตคโดดเด่นขึ้นมาบางครั้งเวลาเรารู้ลมขณะที่เรารู้ลมยาวก็ดีรู้ลมชั้นก็ดีรู้ลมล ม, ลมหยุดก็ดีบางที เราก็จะเห็นดวงบางอย่างเห็นสภาวะบางอย่างที่มันโดดเด่นขึ้นมาแต่เราตอบไม่ได้ว่ามันคืออะไรอันนั้นเป็นดวงจิตเห็นมาแล้วก็หายไปเห็นมาแล้วก็หายไปมันก็มีเหมือนกันนั่นเป็นดวงจิตจิตจะโดดเด่นขึ้นมาเมื่อกายนะครับตัวปรุงแต่งจิตนครับที่เหลือมันก็จะเป็นจิตที่โดดเด่นขึ้นมาดูสังเกตจิต ที่มันโดดเด่นขึ้นมาเนี่ยหายใจออกสังเกตจิตที่มันโดดเด่นขึ้นมาหายใจเข้าทําอยาู่อย่างเงี้ยเป็ น, ข, นขั้นขั้นของมันไปเป็นความจริงตามธรรมชาติของมันไป ด, ดูจิตหายใจออกดูจิตหายใจเข้าสังเกตนะดูจิตสังเกตจิตหายใจออกสังเกตจิตหายใจเข้าแล้วมันก็เกิดสภาวะเมื่อเห็นแต่จิตเนี่ยมันจะเกิดความร่าเริงความบันเทิงความร่าเริงภายในของจิต หายใจออกลนลงไปไม่ได้นะเมื่อหายใจก็หายใจออกหายใจเข้าแต่สังเกตความโดดเด่นคือความร่าเริงบันเทิงในจิตหายใจออกหายใจเข้าเดี๋ยวมันก็ดับไปพอความร่าเริงความบันเทิงในจิตมันหายไปก็จะเข้าสู่อะไรความตั้งมั่นนาจิตมันเริ่มเข้าสู่ความตั้งมั่น จะปรากฏตั้งมั่นตัวนี your ้ตั้งมั่นที่ไหนตั้งมั่นนี่ตั้งมั่นที่ไหนความตั้งมั่นตั้งมั่นที่ไหนตั้งมั่นที่ตัวจิตเองการตั้งมั่นที่ตัวจิตเองนี่ตรงนี้แหละเรียกว่าสมาธิสัมโพธชงมันปลดเปลื้องออกไปทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องจนเข้ามาสู่ความตั้งมั่นลักษณะความตั้งมั่นตรงนี้แหละเรียกว่าสมาธิสัมโพธชง อันนี้ไม่ต้องพูดกันอย่างอื่นแล้วพูดกันถึงเรื่องว่าศีลก็จะเป็นศีลมิสุดจิตก็จะเป็นจิตมิสุดไอ้สิ่งที่มันปรากฏเกิดขึ้นมาที่พูดได้ฟังไล่มาลำดับลาดับบางคนฟังแล้วก็ยากใช่ไหมแต่ให้รู้ไว้ว่าให้รู้ไว้นะพิมพิมพ์มพยักหน้าเลยว่ายากพยักหน้าเลยว่ายากจริงๆมันไม่ใช่ยากลูกเพียงแต่ได้ยังไม่เห็นแต่ที่หลวงพ่อพูดได้ความคือว่าให้รู้ว่า มันเป็นอย่างเนี้อ่ะไล่ลำดับแล้วลูกตีตั๋วรถไฟหัวลำโพองอ่ะลูกจะไปเชียงใหม่มันต้องผ่านแก่งคอยต้องผ่านสระบุรีต้องผ่านนครสวรรค์ต้องผ่านคือไปอยู่แล้วแต่นี่เรายังยังนั่งอยู่ที่หัวลําโพงไงเรายังไม่ถึงนครสวรรค์เข้าใจป่า <c oughs> อย่าพึ่งอย่าพึ่งบอกว่ายากอย่าพึ่งบอกว่ายังไม่เห็นในสิ่งที่เรายังไม่ถึงอืมก็ <c oughs> <c oughs> พูดให้ฟังเฉยๆแค่เนี้ ว่าทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นที่ไหนมันเกิดในกายในใจนี้มันไม่ได้เกิดที่อื่นมันมีอยู่ในนี้ไม่ได้มีอยู่ในที่อื่นถ้าเราติดกระดุมเม็ดแรกในข้อแรกได้พยายามต่อไปต่อไปต่อไ ป, อไ ป, อไปมันก็ติดกระดุมเม็ดที่สองพยายามต่อไปต่อไปต่อไปมันก็ติดกระดุมเม็ดที่สามความชำนาญในในขั้นที่หนึ่งพอชำนาญในขั้นที่หนึ่งแล้ว มันจะไปไหนเลยขั where, ้นที่หนึ่งมันจบหมดแล้วลมหายใจเข้าออกที่เรารู้ลมเป็นผู้ถ <Yeah. S 2> ัพพารลมที่มันคลูดเข้าคลูดออกตามความยาวของความตามความยาวตามเวลานะของลมที่ไหลออกไหลเข้าเนี่ยพอจบตรงนี้ปั๊บปกเข้าปั๊บมันรู้เข้าปั๊บมันรู้เข้าปั๊บมันรู้เข้าปั๊บมันรู้มันรู้อยู่อย่างงี้แล้วลมมันก็หดตัวสั้นลงกายก็นิ่งเร็วกายก็ระหับเร็วลมก็เข้าสู่ลมสั้นเร็วแสดงว่าลมยาวมัน ชำนาญสมำชัญญะคือตัวรู้ที่อยู่กับลมยาวนั้นมันชำนาญแล้วขั้นที่หนึ่งแล้วมันก็นั่งไปสองสามคู่ลมหายใจก็เข้าสู่ลมสั้นลมมันสั้นของมันเองไม่ใช่เราไปทําให้มันสั้นลมมันสั้นของมันเองในขณะที่ตัวรู้คือตัวสติสมำชัญญะนั้นยังโดดเด่นเหมือนเดิมแต่ลมมันก็สั้นลงกว่าเดิมสั้นลงไปเรื่อยเสั้นลงไปเรื่อยๆ มันสั้นของมันเองโดยที่เราไม่รู้สึกทรมานเพราะกายมันนิ่งกายมันรับอันนั้นเข้าสู่ขั้นที่สองแล้วก็รู้อย่างนั้นอ่ะจนจนมันจบกระบวนการของลมสั้นดูไปดูไปดูไปดูไปลมชนิดที่เป็นโพธาภารลมตื้ดเดียวนิดเดียวเอ๊มันมีลมอื่นด้วยวะเฮ้ยที่มันไม่ใช่โพธาภารมลมข้างในนั้นที่มันมันมีลมอื่น อีกทั้งๆ ท, ที่ลมไม่ได้หายใจรู้สึกเหมือนไม่ได้หายใจแต่มันมีลมอยู่เราเรียกว่าลมในนิมิตรหรือเรียกว่าลมกลางสะ دان เหมือนรักคังกังกังกังกงกักเคาะทีเดียวอะ่ะไอคนตียืนนิ่งแล้วแต่เสียงรักคังเป็นไงดังดังกังกงงงงงอยู่น่ะจิตผู้รู้เขาสามารถที่จะรู้ลมสั้นที่เป็ น, นปโพธฐัพพนมจุดเดียว แต่ลมที่มันละเอียดมันไม่ผ่านโผตะพารมมีอยู่จิตผู้รู้เขาสามารถที่จะรู้ลมนั้นความรู้อยู่ทุงที่นิมิตนี่แหละและเกาสามารถที่จะรู้ลมนั้นได้ด้วยโดยไม่ไปปักไปหลงกับมันเพียงแค่รู้แค่รู้อยู่อย่างนี้เรียกว่าทั้งลมนอกทั้งลมในเรียกว่าลมทั้งปวงรู้ไปจนเ็าชำนาญมันไม่มีอะไรแปลกใหม่อีกแล้วลมมีอยู่เท่านี้ จิตผู้รู้เขาก็พอเข้าปั๊บเขาก็รู้ห๋อนี่อันนี้ก็เคยรู้แล้วอันนี้ก็เคยรู้แล้วอันนี้ก็เคยรู้แล้วอันนี้ก็รู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วทั้งคือทุกแง่มุมของคําว่าลมในขั้นนั้นรู้หมดทุกแง่มุมแล้วเรียกว่าชํานาญตัวจิตผู้รู้เขาก็จะทรงตัวของเขาอยู่อย่างนั้นอาการรู้ต่อลมที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะขณะในการรู้นั้น มันก็คือที่เคยรู้เคยรู้เคยรู้เคยรู้มาก่อนเลยมันเกิดความชำนาญขึ้นมาพอเกิดความชำนาญเขาก็สามจิตปุรห์ก็จะทำหน้าที่เพียงแค่รู้ลมนั้นเพียงแค่รู้เพียงแค่รู้เนี่ยคือว่าเขารู้จนชำนาญจบกระบวนการต่างๆหมดเสร็จดิบเลยแล้วเขาเลยแค่รู้แค่รู้เหมือนเราอยากได้ตู้เย็นชักเครื่องหนึ่งอะไปแกงงมอะ พอไปถึงไปเลือกไปดูตอนแรกไปเลือกใช่ัหมไปเลือกไปซื้ไปโวงามมาไปถึงตั้งมาถึงโอ้ไม่ไมมจนปกติแล้วชํานานจะเปิดเออจะทํานู่นทํานี่ทาให้มันก็รู้สึกว่าก็แค่มีไม่ได้ตื่นเต้นอะไรกับมันแล้วเพราะมันมีตั้งอยู่อย่างนั้นแล้วอันนี้ก็อย่างนั้นอันนั้นก็อย่างนั้นอันนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นมันชํานานมันก็เลยเกิดแค่มี ใช่ไหม เ, เหมือนกันเลยแค่รู้ก็เป็นอย่างนี้ทุกแห่มุมของลมหายใจที่เข้าออกมันชํานาญตัวรู้ยังเหมือนเดิมตัวรู้ยังโดดเด่นใช่ไหมตัวตัวผู้รู้ยังโดดเด่นและติดอาการรู้ที่เข้าไปสู่ลมันละเอียดยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้ น, นจะจับลมที่ละเอียดยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นตัวก็ชํานาญในที่สุด พอชำนาญไปเรื่อยๆตัวแปรู้ก็เกิดสภาวะขึ้นมาพอชำนาญในครั้งนี้มันเกิดสภาวะขึ้นมาคือว่าลมหายใจเหมือนไม่มีลมหายใจมันหยุดลมมันหยุดเลยตัวรู้ยังอยู่นะแต่ว่าลมหายใจไม่มีจับเหมือนกับจับลมไม่ได้เมื่อลมหายใจมันหายไปอราจะไปตกใจอีกว่าลมหายใจมันหายไปใช่ไหม ก็ตกใจตกใจออกมาเข้าไปใหม่อีกแล้วเวลาออกมาลมหายใจมันหายไปก็จับอะไรตัวรู้จิตปุรู้เขาก็จะสังเกตลมหายใจที่มันหายไปเรียกว่าลมมันหยุดก็สังเกตตัวลมหยุดสังเกตตัวลมหยุดแล้วมีลมหายใจมาก็หายใจออกตัวรู้จะแค่รู้ลมหายใจ และก็จะสังเกตลมที่มันจังหวะที่ลมหายใจมันหยุดเวลาลมหายใจมันหยุดหมายความว่าทั้งลมที่เป็นโผฏฐพารณ์ทั้งลมที่ไม่ใช่โผฏฐพารล์ทั้งลมในลมนอกมันหยุดหมดแล้วก็สังเกตนี่แหละเรียกว่าสิกติสังเกตลมที่มันหยุดแต่พอลมหายใจมันมาก็แค่รู้ลมหายใจเหมือนกับมือเกาะเราไว้ แม่หลุดแม่ร่วงนั่นเองแค่รู้อาการแค่รู้ต่อลมหายใจจะเกิดขึ้นเป็นธรรมชาติมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นยิ่งลึกก็ยิ่งมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นสิ่งเหล่านี้คือสภาวะที่จะเกิดขึ้นที่พูดให้ฟังนี่คือความรู้ฟังแล้วก็คือความรู้ใช่ไหมเวลาเราไปปฏิบัติมันสิ่งนี้เกิดขึ้นปั๊บพิมพ์ก็จะบอกอ๋ออย่างนี้นี่เองหลวงพ่อพูดโอ้ตอนแรกนึกว่ายาก อย่างนี้นี่เองอย่างนี้นี่เองไอ้อ๋อทั้งหลายเลยเนี่ยเตรียมไว้เหอะแต่ถ้าเราปฏิบัติข้อที่สำคัญที่สุดที่ใส่เข้าไปก็คือตัวฉันทะต้องมีฉันทะความจานานในแต่ละขั้นแต่ต้องใช้ฉันทะการเชื่อมต่อจากขั้นหนึ่งไปขั้นสองต้องใช้ฉันทะฉันทะคืออะไร เราทำฉันทะแบบไหนอ่ะพี่ทำยังไงอ่ะฉันทะรู้ลมเงี้อะเราต้องนั่งตัวตรงไว้ก่อนนะแล้วเรารู้ลมออกลมเข้าลมออกลมเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรืยๆ เ, เวลาไปคู่ลึกๆเช่นคู่ห้าคู่หกคู่เจ็ดเนี่ยมันเริ่มแผ่วแผ่วเพราะอะไรเพราะตัวฉันทะมันหายไปตอาไม่คู่แรกมันรู้ดีอย่างเลยนะ มันรู้ดีมากเลยคู่แรกพอไปคู่หลังๆมันแผ่วแผวแวเพราะคู่แรกมันมีชันทะอยู่เพราะฉะนั้นอาการชันทะคือการใส่ใจการใส่ใจใส่ใจพอไปคู่หลังมันแผ่วลงแล้วใส่ใจยังไงหยุดมันเลยหยุดแล้วก็ตั้งใจใหม่ก็ใส่ใจเข้าไปใส่ใจเข้าไปใส่ใจเข้าไปหยุดแล้วก็ตั้งใจหยุดแล้วก็ตั้งใจ พออาการตั้งใจชนิดที่เรียกว่าใส่ใจนี่มันเกิดเป็นสภาวะง่ายมากขึ้นต่อไปมันไม่ต้องหยุดมันสามารถใส่ใจได้เลยเหมือนเราขี่มา้าเหนื่อยไม่รู้จะทำไงแล้ววะจอดหยุดดื่มน้ำให้มันสบายแล้วก็ควบต่อแต่ก่อนกินน้ำหลังม้าไม่ได้ไงสำลัก แตพ่พอกินบ่อยๆต่อไปไม่ต้องลงไม่ต้องหยุดมาแล้วบยกําลังควบอยู่ก็กินน้ําได้เลยใช่ไหมเข้าใจไหมกําลังควบม้าอยู่เนี่ยสามารถดื่มน้ําได้แต่ใหม่ๆ ม, มันไม่ได้ไงต้องหยุดอันนี้เหมือนกันพอคู่แรกพอรู้ลมคู่แรกมันชัดดีเหลือเกินทั้งลมออกลมข้าวมันชัดดีเหลือเกินคู่หนึ่งคู่สองนะพอไปคู่หลังๆทําไมตัวผู้รู้มันร่วงลงไปอยู่ใน น, นี่แล้ว ทำไมไม่อยู่กับลมหายใจเสแล้วมันล่วงไปนี่แล้วก็ต้องสันทัมันหายไปไงมันต้องหยุดแล้วก็ตั้งใจใหม่แล้วก็นู่นแหละตั้งหายใจเข้าให้สุดหยุดการหายใจไว้ตั้งใจว่าจะรู้สึกกับลมหายใจที่ไหลออกปล่อยลมหายใจไใ ห, หลออกมาช้าๆแล้วให้จิตผู้รู้เขารู้ลมหายใจที่กระทบต่อกายประสาท บริเวณนิมิตของลมหายใจออกที่มันคลูดออกไปที่ตรงช่องปลายจมูกปล่อยลมหายใจอะไรออกมาแล้วก็ตัวรู้เขาไปรู้อ่ะมันมีความใส่ใจตั้งใจขึ้นมาใหม่ใช่ไหมอาการตั้งใจชนิดที่เรียกว่าใส่ใจคือเป็นอาการของฉันทะตัวฉันทะจะเป็นตัวที่จะทำให้การปฏิบัติของเราต่อเนื่องสบายแยบยน แล้วก็ละมุนเรียกว่าปราโมทความปราโมทจะเกิดไม่ได้เลยถ้าไม่มีฉันทะนี่แค่ลมยาวนะถ้าตัวที่เรารู้ลมยาวเนี่ยเราเติมฉันทะก็ไปได้เพราะว่ามันแผ่วลงไปไม่ต้องหยุดเลยแผ่วลงไปปับ๊บไม่ต้องหยุดเลยนี่นี่ชำเริ่มชำ น, นาญแล้วใช่ไหมเริ่มขีม่ม้าเร้่มดื่มน้ำได้แล้วเนี่ยควบไปกี่ดื่มน้ำไปได้แล้วเนี่ย เติมฉันทะเติมความตั้งใจเข้าไปเติมตามพราะมันแผ่วก็เติมเข้าไปเติมเข้าไปเติมเข้าไปเติมเข้าไปเติมเข้าไปเติมเข้าไปมันเริ่มชำนาญแล้วพอมันเริ่มชำนาญปับ๊บด้วยอํานาจของฉันทะมันจะทําให้เกิดความปราโมดขึ้นความประโมดจะเกิดขึ้นเลยความประโมดคือความละมุนอาการของจิตผู้รู้ที่เข้าไปสู่ลมหายใจ น, นั้นก็เข้าไปอย่าง ชนิดที่เรียกว่าราบเรียบสบายะสบายไม่มีอาการแบบหดหูไม่มีอาการแบบแบบแทรกซ้อนแล้วก็ไม่มีอาการของความคิดใดๆเข้าไปแทรกซ้อนได้มันละมุนมากตัวผู้รู้ที่เข้าตรงต่อลมหายใจนี่มันละมุนมากมันก็เกิดเป็นความปราโมทขึ้นมาเป็นความร่าเริงอ่อนๆอัอ น, อนอาศัยลมหายใจ ด้วยอำนาจของความประโมดนี้พอในที่สุดพอรู้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆของลมหายใจเข้าออกยาวนี่นะเข้าออกนี่ยาวนะรู้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วจังหวะที่ลมหายใจมันหยุดอุเบขามันก็ปรากฏอุเบขาคือตัววางเฉยมันปรากฏมันปราก ฏ, นากฏในลักษณะไหนในลักษณะของลมหายใจที่มันหยุดนานๆ ตัวจิตผู้รู้ก็จะเฝ้ารู้นิ่งอยู่บริเวณนิมิตนะความที่นิ่งปรากฏนี่แหละคือตัวอุเบขาปรากฏนิ่งไม่ใช่สตินิ่งไม่ใช่สตินิ่งอะไม่ใช่สติให้จาไว้ไม่ใช่สติและตัวสติปรากฏต่อความนิ่งนั้นพอมันนิ่งปั๊บตัวหนึ่งสติก็ปรากฏอยู่ด้วยในความนิ่งนั้นคือตัวรู้นั่นตัวรู้ก็อยู่กับความนิ่งนั่นแหะและพอลมหายใจมามันก็รู้ รู้แค่นี้ก็คือเห็นกายในกายแล้วกายในคืออะไรก็คือลมที่มันเคลื่อนออกเคลื่อนเข้าที่กายในอย่างนี้เรียกว่ากายในกายมันแยกออกมาเลยตัวรู้จะมีตัวอุเบขาเป็นฐานลมคือกายก็จะเป็นสิ่งที่ถูกรู้ อยู่แยกชัดอยู่อย่างนี้ซึ่งสภาวะแบบนี้มันจะควังเป็นความรู้พอเข้าใจแต่ถ้าใครที่ปฏิบัติมาต่อเนื่องพวกที่นั่งมาทุกวันทุกวันทุกวันมันจะมีสภาวะแบบนี้เกิดอยู่เรื่อยเกิดอยู่เรื่อยแต่ว่าความรู้เราไม่พอพอมันเกิดบางทีเราก็เกิดความสงสัยพอมันเกิดบางทีเราก็แต่ว่าคนที่ไม่ต่อเนื่องจะไม่เกิดนะสังเกตไหม แต่สมมติว่านั่งสองนาทีสามนาทีโุรศัพท์มาไปนั่งสองนาทีสามนาทีไปชงนมให้ลูกอย่างเงี้ยเสร็จนั่งสองนาทีสามนาทีไปทาอะไรธุระมันเยอะเสร็จหมดไม่สามารถที่จะเกิดได้ต้องอาศัยความต่อเนื่องนะยี่สิบนาทีเป็นอย่างน้อยแร ก, แรก ต้องยีิบนาทีเป็นอย่างน้อยจึงจะเข้าสู่ความเรียบแต่ว่าไอ้พวกที่นั่งสิบนาทีห้านาทีก็ไม่เสียผลนะมันจะสะสมตะกอนของความตั้งมั่นไว้ข้างในก่อนนั่งไปเรื่อยๆนั่งไปเรื่อยๆนั่งไปเรื่อยๆมันจะสะสมตะกอนความตั้งมั่นไว้ก่อนคุ้นไว้ก่อนเหมือนเลี้ยงงูไว้เชื่องอะ่ะเ <laughs> ช้าขึ้นมาลูกบัวตอสามทีแล้วก็หายไป เอาเท้าไปเคี่ยวมันมักัดเอานะถูกปะแต่ถ้าอยู่กับมันนานๆให้มันกินด้วยไอ้มันนั่นด้วยอยู่กับมันให้มันกินให้อิ่มนะดูแลมันอย่างดีจนจนคุ้นน่ะจนเราสามารถรับรู้เองได้ว่ามันคุ้นแล้วเหมือนกันเลยกับลมหายใจคือการเสพคุ้นเลยแหละต้องใช้เวลาให้เวลาในการรู้ ให้มันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเออในชีวิตประจำวันทีนี่ให้สังเกตและน่าสงสารกายมันอยากจะปฏิบัติแต่ไอ้เจ้าของมันไม่เอาสังเกตไหมทำงานอย่างสนุกสนานอยู่ ย, ยไปรู้้วมัดใจเฉยเลยมีไหมนั่นแหละพวกมือเงินดื้อกายแสดงว่าอะไรการภาวนาอยากจะพัฒวาต่อยอดนั้กับตัวมันเองอะ แต่เราผู้เป็นเจ้าของขี้เกียจไม่งั้นมันจะไปรู้ลมหทำไมเราการที่เขาไปรู้ลมหายใจของเขาเองเห็นไหมเออมันไปรู้ลมหายใจของเขาเองเราเรารู้สึกไงสงสัยไหมฮะเราทาจนเขาเกิดเป็นสภาวะนี้ขึ้นมาแล้วและเราก็ไม่เอาเราก็ไม่เอาดัะนั้นในชีวิตประจาวันเนี่ย รู้สึกตัวแล้วพยายามรู้ลมไว้ให้มากที่สุดจนกระทั่งว่ากินดื่มทำพูดคิดสามารถที่จะอยู่กับการรู้ลมให้ตัวรู้รู้ลมและก็สามารถทำทุกอย่างได้ได้เลยการทำทุกอย่างอยู่กับลมอย่างมีสติทำได้ไหมฮะทำได้ไหม มันจะทำได้ยังไงดีไม่ดีบางคนบอกบอกว่าต้องทำทีละอย่างดิทำทีเดียวก็สองอย่างนะโอ้โหตัวรู้มันแบ่งได้ก็ไอ้นี่ตาดูนาฬิกาปากจิบน้ำใช้ตัวรู้กี่ตัวกิริยามีกี่กิริยาฮะเออบอ้นี่เครื่องหัวนอนก็นยังได้เลยแล้วแล้วไปดูที่เคยพูดได้ฟัง ท, ที่ห้องอาหารก็ไปเขไปนั่ง ฟาตีกันเห็นไหมนี่แกว้วนี่ขวดเหล้าใช่ไหมไอ้ น, นี่บุรีคีบอยู่ไอ้ น, นี่ก็รินเหล้าใส่แกว้วบุรีก็สูบสูบเหล้าเสร็จไอ้ น, นี่ก็เคลียบบุรีมือนี้ก็จับขึ้นมาจิบกี่กิริยาเนี่ยเวลาทำตามอำนาจของกิเลสสี่ห้ากิริยาทำได้แม่ ใช่ไหมยมรีมเอ่อเพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกให้ตัวรู้เขามีกำลังเขาสามารถที่จะรู้ได้หลายๆกิริยาโดยใช้ตัวรู้ตัวเดียวจิตผู้รู้ตัวเดียวก็สามารถรู้ได้หลายๆกิริยาแล้วพอเสร็จจากนี่สัปั๊บก็วิ่งกลับมาสู่ลมหายใจ อยู่กับลมหายใจเอา้าต้องทำไอ้นี้ก็ไปที่ไอ้นี่กดจึกจ๊กจึก๊กจึ๊กแเสร็จปัป๊บกลับมาที่ลมหายใจอ๋อเสียงฟังโน้นก็ไปที่หูฟังเสร็จปุ๊บปั๊บกลับมาที่ลมหายใจถ้าเราไม่ฝึกให้เขาอยู่กับลมหายใจอย่างชำนาญมันจะไม่กลับมาแต่ว่าเนื่องจากว่าเราอบรมบ่อยๆบางครั้งเขากลับมาในยามที่เขาไม่มีที่อยู่ เวลาเขากลับมาก็ากลับมาในยามที่ไม่มีที่อยู่เพราะการปฏิบัติอบรมของเรานี่เป็นการเปิดทางเลือกให้กับตัวรู้ปกติใจของคนเราจะต้องมีเครื่องอยู่ใช่ไหมไมาอยู่อะไรแล้วก็นั่งนั่งอยู่พอมันว่างปับ๊บไม่มีที่อยู่โดยปกติมันก็ดึงมาแล้วจากกระเป๋าข้างหลังปลื้ดปลืปลืด <laughs> ปลื้รหรับเป็นที่อยู่ไว้ก่อน แต่ถ้ามันไม่มีที่อยู่อะไรเลยไม่มีเลยเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าเรามีอบรมแบบไหนมาถ้าไอา้พวกโลภมากมันก็ไปตามอํานาจของความโลภพวกโทสะมันก็ไปตามอำนาจของโทส ะ, ไ ป, สะไปตามจริตพวกโงห่าก็ไปตามอำนาจพวกที่ได้มันอบรมภาวนามีอารมณ์กรรมฐานมาบ้างมันก็จะเผลอเฟื่ก็จะเข้ามาปุ๊บเข้ามาที่ลมหายใจเข้ามาที่ลมหายใจเข้ามาที่ลมหายใจ เข้าได้แต่เราก็ต้องเลยเปิดโอกาสทําอย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆจนเขามีเครื่องอยู่หลักแต่เดิมมันไม่มีเครื่องอยู่หลักไงไปตามอารมณ์จรน่ะอะไรามากระทบก็ไหลเรื่อยเฉยแฉะอยู่กับอารมณ์นั้นอะไรามากระทบก็ไหลเรื่อยเฉยแฉะอยู่กับอารมณ์นั้นอะไรมากระทบก็ไหลเรื่อยเฉยแฉะอยู่กับอารมณ์นั้นแต่ทีนี้พอเราฝึกมันมากเข้ามากเข้ามากเข้าจนเขามีลมหายใจเป็นเครื่อง อ, อยู่หลักเป็นเครื่องอยู่หลักเลย และไอ้รู้รู้ที่เขาอยู่กับลมหายใจเนี่ยรู้ตัวนี้มันเป็นรู้ที่อิสระและมีความเป็นปัจจุบันสูงมากเพราะว่าเป็นรู้ที่ไม่มีอะไรเข้าไปแทรกแซงเป็นรู้ที่หยุดความพอใจและความไม่พอใจที่พูดไปไอ้ฟเมื่อเมื่อตอนเช้าใช่เป็นรู้ที่หยุดความพอใจ เป็นรู้ที่หยุดความไม่พอใจเป็นรู้ที่เป็นกลางไอรู้ที่ตรงไปลมหายใจลมหายใจซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกรู้อาการที่รู้เนี่ยรู้ตรงตรงชนิดที่เป็นกลางหยุดความพอใจและความไม่พอใจที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าวิเนยะโลเกอภิชาโทมณสังคือถอนความรักความชังในโลกในขณะนั้นเสียได้ในขณะจิตนั้นไอรู้ตัวเนี้ยสําคัญมาก ถ้าก็เกิดขึ้นบ่อยบ่อยบอยบอยบอยบอยบอยบอยบอยบอยบอยทั้งหมดที่พูดมีอยู่ที่ไหน <c oughs> มีอยู่ในนี้มีอยู่ในนี้และการภาวนาถ้ามองตรงนี้แค่รูปแค่นามนี่ก็แค่รูปแค่นาม นี่ก็แค่รูปแค่นามเอาความเป็นเปิ้ลออกไปเอาความเป็นไพรวันออกไปเอาความเป็นเงียออกไปเอาความเป็นบีออกไปเอาความเป็นต่างๆของแต่ละคนออกไปเหลือเพียงแค่อันนี้ก็แค่รูปกับนามนี่ก็แค่รูปนามนี่ก็แค่นี่ก็แค่เรามีไหมไม่มีอันนี้เป็นเพียงแค่รูปกับนามมันจะปลดเปื้องสิ่งต่างๆออกไปเยอะมากเลย กดเปลืองสิ่งต่างๆออกไปเยอะมากแล้วลมหายใจเป็นอะไรเป็นรูปใช่ไหมลมหายใจเป็นรูปใช่ไหมเป็นรูปตัวรู้ที่เข้าไปรูป้ลมหายใจเป็นอะไรมันมีไอ้นี่ตัวชีวิตเรามันเป็นแค่อะไรรูปกับนามกิจที่เรากำลังทำอยู่ลมหายใจกับตัวรูป้มปันวิ่งแค่อะไรรูปนาม ถ้าอย่างนี้จะง่ายขึ้นเยอะปลดเตื้องไปหมดอไอโรงงานมันอยู่กับองไม่ใช่เหรอ mm hmm. พอราถอดองออกไปเหลือแค่รูปนามโรงงานมันถอดถุงถอดออกไปด้วยใช่ mm hmm. ใชไหมใช่ mm hmm. ปล่าล่ะเพราะฉะนั้นในระหว่างนั่งภาวนาเนี่ยไอสิ่งที่จะเข้ามาปรุงแต่งในรูปนามนี้มันน้อยลงเข้าใจไหมเนี่ยนี่วิธีการดับปริพเท ดับปรีพูดแบบแบบกระหันกระทันหันเลยดับกระทันหันเลยก็ไอสิ่งที่มันมาปรุงแต่งทั้งหมดออกไปจากสิ่งซึ่งไม่ใช่รูปนามแต่มันอยู่ด้านนอกที่เป็ น, เ ป, นเป็นปลอกสวมก็มาเป็นชั้นชั้นชั้ชั้นไหม<__><__>พอมันเป็นชื่อเงี้สีฉักเนี่ยมันก็มีตั้งเป็นผู้จัดการมีตั้งเป็นสามีมีตั้งพ่อมีทั้ง อะไระเจ้าของบ้านมีทั้งกรรมการมีทั้งอร وي, ่อยนู่นนี่นเยอะแยะไปหมดเลยก็ ป, ปลดกา ร, ร่าสีศัตด์ออกหมดเหลือแค่รูปแค่น้ำสบายไหมปลดไปได้เยอะเลยอันนี้เฉพาะตอนการภาวนานะจนออกจากนี่ไปไ ป, ไปเป็นเถอะ <laughs> แต่เวลาภาวนาต้องปลดปริพุทเหล่านี้ออกไป เม่เท่านก็จะมาทั้งสองสถานะสถานะของนิวรณ์และอุปกิเลสในอาณาปานาสติซึ่งเป็นอันตรายต่ออานาอันตรายต่ออานาคือไม่สามารถก่อให้เกิดสุสมาหิตะความตั้งมั่นอย่างดีขึ้นที่จิตได้อันตรกรของความตั้งมั่นมันจะเกิดไม่ได้เลยเพรอมันมีนิวรณ์ป้งนั่งหลับอย่างเงี้ยมันจะเกิดไหมลูกลูกนั่งไปหลับตั้งนาฬิกาไว้ยี่สิบนาทีเพราะต้องส่งใช่ไหมแต่ ว, ว่านั่งหลับ นั่งหลับพนาิกาปลุกปุ๊ดพิมพพยี่สิบนาทีระกบเลรส่งแล้วยี่สิบนาทีทู่ขอพิมพ์ไม่ได้ของพิมพบางทีมันห้า น, นาทีมันก็ส่งเอ่อเพราะฉะนั้นการดับปริพภท์โดยการพิจารณาให้เห็นเพียงแค่รูปนามเนี่ยมันมันมันสำคัญมากนะ มันปวดมันปอกลอกสิ่งสมมุติที่ถาถมทบขามาเนี่เรานี่ถ้าเป็นต้นไม้นี่เปลือกนี่ไม่รู้จะกี่สิบชั้นฮะเปลือกถ้าเป็นต้นไม้นี่นะโอ้โหเปลือกไม่รู้จะกี่สิบชั้นเหมือนกันเหมือนกันพอ ร, รูปนามนี้เกิดแรกชื่อยังไม่มีเลย เขาเพิ่งไปให้พระตั้งให้ไม่ใช่เหรอหรือแม่ตั้งเองพอตั้งชื่อใส่ใส่น้ำสกุลขึ้นมาพอสักพักหนึ่งก็เริ่มมีเพื่อนสักพักหนึ่งก็เริ่มรู้จักพี่สักพักหนึ่งเริ่มมีน้องสักพักหนึ่งเริ่มมีเพื่อนเริ่มมีครูก็เริ่มมีเริ่มมีรองเท้าเริ่มมีเสื้อผ้าเริ่มมีกระโปรงเริ่มมีนั่นเริ่มมีนี่เริ่มมีโน่นเริ่มมีนี่เริ่มเป็นนั่นเริ่มเป็นนี่ไอ้ที่เป็นเป็นเป็นเนี่ยโอ้โหแต่ละชั้นนี่เยอะมาก ทุกอย่างที่มีทุกอย่างที่เป็นมันอาศัยชื่อนี้ทั้งนั้นมันไม่ได้อาศัยรูปนามมันอาศัยชื่อก่อนมันจึงถูกสมมุติเข้าว่าเป็นนั่นเป็นนี่แต่สิ่งที่สมมุตินั้นมันอาศัยรูปนามแต่สิ่งที่มาสวมมาทับาอยู่เนี่ยมันอาศัยชื่ออาศัยสกุลแต่ถ้าเราตรงเข้าสู่รูปสู่นามเลย รูปคืออะไรคือลมหายใจใช่ไหมนามคือตัวจิตผู้รู้ณขณะ น, นี้ปัจจุบันนี้เวลานี้มีแค่นี้เออและสร้างอาการรู้ของจิตผู้รู้ที่ตรงเข้าไปถูงลมหายใจชนิดที่เป็นปุตัะภารมสุดเรียบร้อยจบจะรวดเร็วมากเข้าใจไหมพร้อมยังอเอาเลย สินาทีแล้วก็มาภาวนาการเปลี่ยนขยับขยายอิริยาบท